สิ่งที่ฉันหวัง g ิ่งที่ฉันคอยอาจดู คนที่แสนดีอยู่ทุกทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไมช่ช้าอาจบางที ช่วยกันพร้อมตามีขอบรั้วขอบกำแพงสรางมาตึกระฟาคอยบังเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอมันนั้น คงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธออาจมีสักครั้งที่เราสองคนผ่าน ใบไม้พิงใบหนึ่งรอนตอนที่กานผ่านฉันคงจะมองมันเมื่อเธอเดินผ่านมาอาจบางทีในเมืองกวา้างใจหมอกและควันช่วยกันพร่า พตทว